ขอกาบบูชาพระัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความ ก, กรุมายังพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทร์พระอาจารย์สันติ พ, พงศ์พระอาจารย์อักาเดชขอโอกาสเพื่อนสาธมิตรเจริญพรมายังไม่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะที่3าทธันวาคมนะพุทธศักราช2557นะตรงกับวันแรมวันขึ้น10บค่ำเดือนยี่พรุ่งนี้ก็สิ้นปีแล้วเนาะก็เป็นเรื่องสมมุตนะิที่เรากำหนดกันเอาไว้นะว่าปีเก่าก็จะผ่านไป นะปีใหม่ก็จะเข้ามาหลายคนนะก็ตั้งความหวังความปรารถนานะที่จะให้ชีวิตนั้นมีความสุขนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับตัวเองกับคนในครอบครัวกับสังคมกับประเทศชาตินะกับโลกนะซึ่งความหวังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามีกำลังใจนะมี กำลังในการที่เราจะมีชีวิตต่อไปหรือในการที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดี <c oughs> นะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าเร า, เราอย่าเพียงแต่หวังหรือเพียงแต่คิดแต่ต้องลงมือทำนะซึ่งการที่เรามาวัดป่าสุโกโตเนี่ยก็เข้าใจว่า เรามีความหวังว่าชีวิตในปีหน้าจะดีกว่าปีนี้นะแทนที่เราจะไปเที่ยวไปสนุกสนานนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความสุขนะที่เราเคยได้ลิ้มรสเคยได้ผ่านมาแล้วเราก็คงได้สรุปบทเรียนแล้วละ่นะว่า เป็นความสุขชั่วขณะเป็นความสุขชั่วคราวนะเป็นความสุขที่จะต้องใช้เงินใช้ทองใช้ความพยายามนะบางทีก็เหน็ดเหนื่อยนะบางทีก็เมื่อยล้านะเรียกว่าเราทุกคนเนี่ยคงได้ลิ้มรสนะได้สัมผัสความสุขสนุกสนานกันมาพอสมควร นะแล้วเราก็ได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งว่ามันสุขขณะชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ <c oughs> มีสิ่งที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะในการที่จะไปสนุกสนานแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นนะซึ่งอันนี้เราก็เป็น ข่าวที่เราได้ทราบกันอยู่โดยทั่วกันทีนี้การที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็คงได้ม า, เ, าเรียนรู้ามาสัมผัสกับความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่แตกต่างไปจากความสนุกสนา น, นาซึ่งสิ่งนี้นนมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เรามาอยู่ในที่สงบสงัด นะที่วิเวกเพียงแค่เราได้มาอยู่นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราก็สงบในระดับหนึ่งละนะก็คือรู้สึกสบายใจนะรู้สึกอบอุ่นใะจรู้สึกปลอดโปร่งใจนะนี่ก็เป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ประนีนะซึ่งแตกต่างไปจากความสุขสนุกสนานนะซึ่งอันนั้นมีความตื่นเต้นมีความ สนุกสนานนะแต่นี้เป็นความสุขสงบสงบนะความสุขนิ่งนิ่ง <c oughs> แต่ถ้าเราเพียงแค่พอใจนะจากความสุขสงบนิ่งเฉยเฉยมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวอย่เหมือนกันอย่างเมื่อคืนนี้นะบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะเพราะว่ามีเสียงดนตีเสียง ความสนุกสนานจากหมู่บ้านเข้ามานะบางคนก็อาจจะนอนไม่หลับนะมาวัดป่าสุกโ ต, โตคิดว่าจะสงบดี <c oughs> ที่ไหนได้มาเจอโอ้โหเสียงดังยู่บึมนะอุตสา่าห์หนีจากในเมืองแล้วนะมาที่นี่ก็ยังมีเสียงอย่างนี้อีกซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปวิตกกังวลกับมันนะถือว่าเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมอที่ให้เรามาเรียนรู้ นะการที่เราไม่สบายใจหรือเรารู้สึกหงุดหงิดกับเสียงที่ดังนั้นนะมันเป็นสิ่งแสดงว่า <c oughs> เราติดความสงบนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราเรียกว่าเราเราไปติดนะกับความสงบความนิ่งความไม่อยากให้มันมีเสียงอะไรอึกระทึกอึกรโครมนะตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราได้ฝึกสติ นะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยเสียงจะดังขนาดไหนเราก็รู้นะแล้วเราก็มาดูใจของเรานะใจของเราหงุดหงิดใจของเราไม่ชอบขึ้นมาพอใจไม่พอใจขึ้นมาหรือไม่นะอันนี้ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> ได้จากการกระทำลงไปเพราะนั้นเราจะมีความหวังมีความคิดแต่เราต้องลงมือทำด้วย การมาวัดป่าสุโกโตเนี่ยก็เข้าใจว่าพวกเรานั้ น, นคงมุ่งหมายที่จะมาะสะแสวงหาความสุขที่เป็นความสุขที่สงบความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่มีอยู่แล้วนะจริงๆความสุขในที่นี้เนี่ย <c oughs> มันแตกต่างไปจากความสุขสนุกสนานขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้ ใจเราเป็นปกติเฉยๆนี่คือความสุขที่มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่า <c oughs> เราไม่เคยได้สนใจเราไม่เคยได้ใส่ใจความสุขชนิดนี้มันมันธรรมดาธรรมดาเกินไปมันซื่อๆเฉยๆเกินไปเราชอบให้มันตื่นเต้นนะให้มันร้าวใจนะก็เลยต้องไปวิ่งหางานสิ่งมากระตุ้นเรา ไม่ว่าจะเป็นทางภาพนะทางเสียงทางกลิ่นทางลิ้นรบลิ้นรสชาติต่างๆหรือแม้แต่การสัมผัสนะนั้นมันเป็นรสชาติที่มัน <c oughs> มันเรา้ามันตื่นตัวนะตื่นตัวตื่นเต้นนะแล้วเราก็คุ้นชินแต่สังเกตว่าความสุขชนิดนั้นเนี่ยนะมันช่วครั้งชั่วคราว แล้วถ้าเราได้สัมผัสมันจะมีการติดอกติดใจและติดอกติดใจไม่พอมันต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเหมือนคนติดยาเนี่ยต้องการที่จะให้ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและถึงจุดหนึ่งเราก็จะเกิดความเอื่อมละอาเบื่อขึ้นมาว่าโอ้มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยมันรสชาติของมันกนะ็ไม่เป็นที่เรากระตุ้น ขึ้นมาเหมือนเดิมตรงนี้แหละ <c oughs> มันถึงไปจุดจุดหนึ่งก็คือเราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางกับสิ่งที่เราเคยติดเคยยึดนะมันเกิดการเบื่อเกิดการคลายออกไปนะมันก็จะกลับคืนสู่ความสุขที่เป็นปกตินะที่ใจเป็นปกติเฉยๆนะั่นะนะตรงนี้ถ้าเราสัมผัสตรงนี้ได้ไไดบ่อยๆนะมันเหมือนกับ เรากระหายน้ำแล้วเราได้ดื่มน้ำจืดมันแก้กระหายแต่ส่วนใหญ่เมื่อเรากระหายน้ำนะเราก็จะต้องการน้ำรสหวานบ้างเปรี้ยวบ้างนะให้มีรสชาติต่างๆซึ่งอันนั้นก็เป็นรสชาติของ <c oughs> สิ่งที่มาสัมผัสนะกับประสาทสัมผัสทั้ง5นะซึ่งอันนั้นนะเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวนะเป็นความสุขชั่วคราว แต่ความสุขยั่งยืนที่มีอยู่แล้วคือความเป็นปกติสุขนะที่มีอยู่ในจิตใจทีนี้การจะสัมผัสจิตที่เป็นปกติได้บ่อยๆนะตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยเครื่องมืออันหนึ่งนะก็คือความรู้สึกตัวนะหรือเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสติสัมปชัญญนะความรู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยสา ม, มัญ ขณะที่เราทำอะไรด้วยความรู้สึกตัวนะนั้นก็เป็นสติที่มีอยู่โดยตามธรรมชาติแต่สติที่มีอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกนะมันก็จะมีกำลังเนี่ยไม่มากพอที่จะไปทันกับความคิดอารมณ์นะความทุกข์นะที่เป็นความทุกข์ทางใจนะคือความทุกข์ทางกายเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากละนะมันเป็นเรื่องที่ แก้ไขไม่ยากนอย่างเช่นเราเราหนาวเราก็ห่มผ้ า, าเราร้อนเราก็อาบน้ําเราหิวเราก็กินเรากระหายเราก็ดื่มง่ายๆไม่ยากเรื่องของกายแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยแหละ <c oughs> ที่มันเป็นปัญหาหนักอกและมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะความหนักอกหนักใจความเครียด ความเหงาความเ้าเวความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวคนในครอบครัวสังคมการเมืองเศรษฐกิจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแลเรามารับรู้รับทราบนะแล้วก็เกิดกามวิตกกงังวลเกิดความอะไรอววร นะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ววิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือแม้แต่บางทีอยู่เฉยๆมันก็รู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างนะเรียกว่าชีวิตมันยังไม่เต็มนะมันยังไม่อิ่มนะมันยังไม่อิ่มไม่เต็มจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง หลายคนก็พยายามจะหลบหลีกหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ด้วยการไป <c oughs> ใช้วัตถุภายนอกบ้างบุคคลภายนอกบ้างนะเช่น <c oughs> ไปเที่ยวไปกินเหล้านะไปสนุกสนานซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการหลีกหนีเป็นเรื่องของการกลบเกลื่อนทนะําให้เราไม่ได้เห็นความจริงที่มันปรากฏ ความจริงที่เรายอมรับไม่ได้นะก็คือความทุกข์นั่นแหละนะพูดภาษา <c oughs> ง่ายๆก็คือความทุกข์เป็นความทุกข์ในใจความโศกความเศร้าความรําพึงรําพันความอดครวนนะสังเกตเดี๋ยวนี้เราไปฟังเพลงสมัยใหม่เนะี่ยเป็นเพลงแห่งความอดครวนทั้งนั้นเลย ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนออกมาว่าคนในสังคมเนี่ยนะมีความทุกข์มากจริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นทุกข์เราก็หาทางกบเกลื่อนไปไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ฟังเพลงไปดูหนังไปดูหนังดูละครไปให้มันลืมๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็ ว่าไปมันก็เหมือนกับหลับไหลหลับไหลลุ่มหลงนไปในสิ่งแวดล้อมต่างๆทาให้เราไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความจริงของชีวิตที่มันมีความทุกข์หลายคนบอกเราไม่ได้ทุกข์เราสบายดีแต่ในใจมันรู้อยู่แล้วก็หาทางออกไม่ได้เดเนี่เองนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในสมัยเราเท่านั้นนะ 2,000 ปี 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าใจตาก็เจออันนี้คนในยุคนั้นก็เจออันนี้แต่ท่านมาตั้งคําถามว่ามันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วมันจะออกไปได้อย่างไงน่เรียกว่าไม่หลบหนีเผชิญหน้ากับมันเลยซึ่งสุดท้ายท่านก็มีทางออกความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในตัวเรา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราแก้ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปหลบลีกไม่ต้องไปหนีหายเรียนรู้มันลงไปตรงๆเรากล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับมันไม่ความทุกข์ที่มันแสดงถ้าเราไม่กล้าเราก็ผ่านมันไม่ได้ประตูที่จะพ้นทุกข์มันอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละนะถ้าเรารเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้มันด้วยเครื่องมือคือความรู้สึกตัว หรือสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นตาในที่มันมีอยู่ในทุกคนส่วนใหญ่เราไม่เปิดตานี้ปิดแล้วเราก็ไปหาสิ่งเงินอื่นนะกบเกินไปวันๆหนึ่งชีวิตนะไม่มีไม่มีทางออกแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็คือการเปิดตาในให้มัน สว่างขึ้นเราก็จะเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราว่ามันเกิดจากอะไรนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนะี่ยไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยเราไปแก้ไขไม่ได้หรอกนะจะให้คนนั้นเป็นอย่างที่เราใจคิดให้คนนี้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยยากหรือจะให้สังคมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราหวังเนี่ยมันก็ยาก แต่เราปรับที่ใจเราง่ายที่สุดปรับใจเรายอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ปล่อยวางซึ่งการปล่อยวางเนี่ยมันพูดง่ายนะ <c oughs> แต่ว่ามันทาอาจจะยากนิดหนึง่งแต่เมื่อไดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวมาเจริญสตินะเราก็จะเห็นทางออกความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจ มันเกิดขึ้นจากการไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งโดวยเฉพาะความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันสร้างเรื่องสร้างราวให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกข์โลภโกรธหลงความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นเลยการไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี่แหละนะ เราคงเคยได้ยินคำว่าอวิชชาก็คือตัวเนี้ยนะตัวนี้เป็นต้นเหตุเลยนะที่ทำให้เรามีทุกข์เพราะนั้นเ <c oughs> มื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเราก็ต้องแก้แก้การไม่รู้ทันก็คือมาทำให้รู้ทันซะ <c oughs> การจะรู้ทันความคิดปรุงแต่งเนี่ยก็คือการกลับมารู้สึกตัว การกลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นคำพูดที่เราจะไปใช้ความคิดก็ไม่ได้แต่ต้องใช้การกระทำนะซึ่งพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ในมหาสติปฐานสูตรที่เราได้สวดกันไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆสูตรนี้ยาวมากนะแต่ว่าที่วัดป่าสุขโตเราเอาเฉพาะนะส่วนของกายเนี่ยมาพูดนะสติปฐานสี่มันมีหมวดกาย หมดเวทนาหมดจิตหมดธรรมก็คือพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและธรรมนะในหมวดกายเนี่ยนะจริงๆมีมากกว่านี้นะมีอานาปนสติมีปฏิกูลสัญญามีธาตุแต่ที่เราเอามาเนี่ยเฉพาะสองส่วนคืออริยบทกับสัมปชัญญะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เป็นหลักที่เรามาใช้เราอ่านไปแล้วเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ครูบาอาจารย์รุ่งหลังๆเนี่ยท่านประยุกจากสูตรตรงนี้มาเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งในวัดป่าสุก โ, โตเราเนี่ยก็อาศัยการเคลื่อนไหวาอาศัยสัมปชัญญะบัพพากาเรียบทเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะปลุกความรู้สึกตัว หรือว่ากระตุ้นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันฉับไวขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ทันกับความคิดปรุงแต่งเพื่อให้ทันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเครื่องมือสาคัญก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว ก็คือสิ่งที่เรารู้ขณะที่เราอยู่เรานั่งอยู่ฟังธทมอยู่ขณะนี้เรารู้สึกตัวอยู่เราไม่ได้ง่วงเหงาเหงานอนเราตื่นรู้อยู่นี่คือสิ่งที่มีอยู่และมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามากๆนะยกมือพลิกมือก็รู้รู้ว่าพลิกรู้ว่ายกแค่นั้นนะ่ะอย่าไป วิเคราะห์วิจาร์หรือว่าคิดมากการเรียนรู้ธรรมะอย่าใช้ความคิดใช้เครื่องมือคือความรู้สึกตัวซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยเราใช้มันตั้งแต่เด็กๆถ้าเราจำได้สมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเราไม่ก็ได้ใช้ความคิดมากเราหยิบจับสัมผัสนะตรงนี้ก็คือความรู้สึกตัวการ <c oughs> ยกมือก็ดีการเดินจงกรมก็ดี จุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่ให้เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวก็คือให้ใจมาอยู่กับเนื่อกับตัวหรือเรียกเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื่อกับตัวเพื่ออะไรก็เพื่อให้ใจเนี่ยนะที่มันเคยล่เหตุเล่อล่อไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆทํ า, าทให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจโศกเศร้านะ ให้กลับมาเป็นปกติเป็นปกติบ่อยๆความเป็นปกติบ่อยๆนี้แหละนะที่มันเป็นความสุขที่ประณีตที่เราจะสัมผัสได้และเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นบ้านที่แท้จริงนะของชีวิตเราทีนี้ในการฝึกเจริญสติในรูปแบบเนี่ยนะพวกเราหลายคนคงทราบวิธีการทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป นะขณะที่ยกมือเนี่ย <c oughs> ก็มีเท่าที่สังเกตนะบางคนเนี่ยก็รู้ชัดบางคนก็ยกไวมากๆนะแล้วก็เพลินไปเลย <c oughs> การยกมือเนี่ยให้มีหยุดบ้างนะหมายถึงว่าเคลื่อนรู้หยุดก็รู้ถ้าไม่รู้ว่าหยุดอย่าพึ่งเคลื่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดการ เพลินไปบางทีเราเราคิดว่าเรารู้สึกจริงๆนะแต่ยกไปมันก็คิดไปอะไหลไปกับความคิดเลยแล้วเราบอกเราเห็นความคิดนะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงไอ้นั่นน่มันลงไม่กับความคิดแล้วนะเพราะนั้นการรู้สึกตัวก็คือพอมันคิดปุ๊บทิ้งเลยกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่คิดอะไรขึ้นมาทิ้งเลยกลับมาอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปพยายามดึงกลับมาไอ้การพยายามดึงกลับมานั้นก็เป็นความคิดซ้อนขึ้นมาอีกเพียงแค่รู้ว่าคิดกลับมาเลยไม่ต้องไปต่อมันเลยตรงนี้มันจะไวเพราะนั้นการไปอ่านหนังสือมากๆกการฟังมากๆบางทีถ้าเราไม่แยบคายพอเนี่ยบางทีมันก็หลงได้ง่ายง่ายอย่างหนังสือก็บอกว่าให้ดูนะความคิดมันเกิดขึ้นอย่างไงตั้งอยู่อย่างไงดับไปอย่างไง อันนี้มันจะลงไปในความคิดเพราะว่ากำลังความคิดมันแรงมากเพราะฉะนั้นเมื่อคิดขึ้นมากลับมาอยู่ที่อิริยาบถจะเป็นการเคลื่อนมือก็ตามการเดินจงกรมก็ดีทิ้งให้หมดเลยคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาคิดโครงการในอนาคตปีหน้าจะทำอะไรก็ไม่เอาในขณะที่ฝึกนะแต่ไปทำงานนี่มันต้องคิดนะ ความคิดมี2 อ, อย่างคือ 1. คิดแบบตั้งใจคิดอันนี้เราใช้ในการนำการํำงานนะสังเกตว่าความคิดนี้พอเราใช้เสร็จเราก็วางอีกอันหนึ่งคือความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดไอ้ตัวนี้แหละวันหนึ่ ง, ว, นนงวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับมันเยอะแล้วเสียพลังงานมากแล้วตอนเราฝึกเนี่ยเราจะเห็นตัวนี้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาทิ้งเลยกลับมาอยู่ตรงการเคลื่อนไหวนี้ ตรงนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะมันจะเด่นขึ้นมาความคิดมันจะด้อยลงไปมันจะอ่อนกำลังลงไปมันไม่หมดไปหรอกเดี๋ยวมันก็มาอีกมันมาตอแยเราอยู่เรื่อยๆไม่เป็นไรนะ <c oughs> มันมาเมื่อไหร่เราก็กลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นยิ่งคิดยิ่งรู้หลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้เพราะนั้นไม่ห้ามความคิด การฝึกเจริญสติเพื่อให้เข้าใจความจริงเนี่ยเราไม่กดข่มความคิดเราไม่บางคนบอกว่ามาฝึกกรรมฐานคือไม่ต้องคิดไอ้นั่นมันเป็นการกดข่มไปล้มันยิ่งคิดเรายิ่งรู้นะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งความคิดสารพัดเลยนะเราจะได้เรียนรู้นะความคิดปรุงแต่งในทุกรูปแบบแนะซึ่งตรงเนี้ย เป็นปัญญาปัญญาคือการรอบรู้ความคิดปรุงแต่งเ้าเรียกว่ารอบรู้สังขาร น, นั่นเองคำว่าสังขารไม่ใช่ร่างกายนะหมายถึงความคิดปรุงแต่งนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ปัญญามันจะเกิดถ้าเราไปกดข่มความคิดไว้เนี่ยมันอาจจะสงบได้ชั่วขณะแต่เดี๋ยวพอเราออกมามันก็เด้งขึ้นมาอีกดีไม่ดีนอนฝันไปเลยเพราะฉะนั้นให้มันแสดงออกมาแต่เราไม่ได้ไปยุให้มันคิดนะ ธรรมชาติมันจะคิดของมันอย่างนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปกลัวนะบางคนบอกเอ๊ะถ้าไม่คิดเดี๋ยวไปทำงานไม่ได้กลายเป็นคนเออไปเลยไม่ใช่ไม่ต้องไปกลัวเลยตอนนี้เราจะให้ความรู้สึกตัวมันเด่นแล้วความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะจะไปจัดระเบียบความคิดอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดถึงเวลานอนก็นอนนะตรนี้จะเป็นการจัดระเบียบแต่ก่อนเนียเราโดนความคิดมันกากับ ต่อไปนี้เอาสติสัมปชัญญะมากากับความคิดซะมาดูแลความคิดซะไม่ความคิดมันเพ่นพ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไม่มีจบมีสิ้นไม่ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการปล่อยวางไปเองการทิ้งความคิดนั่ น, นคือการปล่อยวางแล้วนะถ้าเราทิ้งได้บ่อยๆ่บ่อยๆเนี่ย มันจะมีอาการนี่มันโปร่งโล่งสบายตัวเบาหัวเบาแต่ตรงนี้ก็อย่าไปติดอีกนะบางคนเดินไปเดินมานี่ตัวเบาเลยนะก็อย่ารู้ทันมันกลับมารู้สึกตัวนะกลับมาอยู่ปัจจุบันนะหรือบางทีเดินไปเดินไปมันขนลุกขนชันขึ้นมาปิติซาบซ่านขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ติดอีกเหมือนกันเราก็ต้องผ่านอารมณ์เหล่านี้นะเรียกว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้เราไม่ติดเราผ่านนะแล้วการผ่านอารมณ์เหล่านี้มันจะมีสิ่งที่ปรากฏคือใจมันปกติเฉยเรู้อยู่ทำอยู่ทำได้เรื่อยๆยกมือได้เรื่อยๆเดินได้เรื่อยๆนะแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆเรียกว่าเป็นจิตที่ตื่นรู้เป็นพุทธะ น, น้อยๆที่เกิดขึ้น แล้วมันก็ได้สัมผัสกับความสุขที่ประนีก็คือความเป็นปกติอยู่เรื่อยๆตรงนี้มันจะทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติในการทำแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่สัมผัสพวกนี้หรอกมันจะสัมผัสอารมณ์ที่มันหยาบๆเช่นความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลพวกนี้เป็นอารมณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องพบ เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเรียนรู้มันอย่าไปยอมแพ้นะอย่างปฏิบัติเนี่ยง่วงก็อย่าพิ่งไปนอนกลางวันไม่นอนสมัยก่อนจะมาไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนหลวงเทียนบอกกลางวันไม่นอนกลางคืนนอนมันจะง่วงยังไงก็ต้องฝืนเอาหน่อยยังไม่มีสติเอาขันติเข้ามาช่วยก่อนอดทนนะแก้อารมณ์มันเดินจงกรมมันง่วงก็เดินถอยหลังบ้างเดินเร็วบ้างยกมือมันง่วงก็ยกให้มันเร็วขึ้น ลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะตรงนี้ <c oughs> มันก็จะทำให้เราเรียนรู้มันมีการตื่นมันมีการง่วงมันมีการตื่นเราจเจ็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ความเบื่อก็เหมือนกันเราตั้งใจจะมาปฏิบัตินะทำวันแรกก็เบื่อแล้วไม่เอาละไปหา ย, ยัางอื่นทำละตรงนี้มันก็จะเขวออกไปเพราะนั้นเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ทำง่วงก็ท ำ, ทำไม่ง่วงก็ทำในรูปแบบทาให้มากๆ เรามาใช้เวลา4วัน5วันเนี่ยทำในรูปแบบให้มากๆแล้วอย่าลืมรู้สึกตัวกับสิ่งที่ทำอยู่ในกิจวัตรประจำวันด้วยจะเป็นการกินการดื่มการเดินไปเดินมาการอาบน้ำอย่างที่เราสาธยายมุนตะกี้เนี่ยเราเห็นว่าพพุทธเจา้าท่านละเอียดอ่อนมากเราสามารถฝึกความรู้สึกตัวได้กับกิจวัตรทุกอย่างเลย แม้แต่อุจจาระปัสสาวะใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราทำได้เพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยถ้ามันจะให้เกิดผลเนี่ยมันต้องทำให้ต่อนเนื่องนะมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำแต่กี้นีที่เราสวดเนี่ยตรงเนี้ยคำคำเนี้ยเป็นประจำก็คือไม่ใช่ทำเฉพาะในรูปแบบขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะเราก็มีสติดีแต่พอเราออกจากลานจงกรมจากที่จงกรมไป เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มันก็หลุดไปสนใจอะไรไปคุยกันบ้างไปอะไรต่างๆนานาบ้างลืมไปไม่รู้สึกตัวไป อ, อย่างกินข้าวอย่างเงี้ยบางทีกินไปคุยไปลืมไปละอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าปลีกวิเวกอะ่ะให้เวลากับตัวเองอยู่เงียบๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่คุยเลยนะ คุยน้อยๆน้อยๆสังเกตตัวกับผมเองที่เคยฝึกหรือเคยปฏิบัติมาเนี่ยพยายามปลีกวิเวกเลยอยู่คนเดียวเลยทำให้มันต่อเนื่องเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับตรงเนี้ยความรู้สึกตัวมันจะตื่นมันจะชัดนะแต่ถ้าเราทำทาหยุดหยุดเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้น คนที่ฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเนี่ยเพราะว่าทำํทำๆหยุดๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นสิ่งสํำคัญเพราะนั้นทำในรูปแบบนอกรูปแบบนะในกิจวัตรประจําวันและพยายามทําให้มันต่อนเนื่องบางครั้งเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปโทษอย่าไปลงโทษตัวเองเผลอไปแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เผลอไปแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ให้กําลังใจตัวเองเผลอบ้างรู้บ้างใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะ แต่พอเรารู้ว่าเผลอการรู้ว่าเผลอนั้นก็คือรู้ใช่แล้วเราไม่เพลินไปไม่เผลอไปเรากลับมารู้สึกตัวเพราะนั้นกลับมารู้สึกตัวให้มีสติไปในกายทุกเมื่อตรงเนี้ยคำคำเนี้ยถ้าเราเราทำได้บ่อยๆตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยนะแล้วลองมาดูซิอะไรมันจะเกิดขึ้นนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะอย่าเชื่อทั้งหมด แล้วเวลาปฏิบัติก็อย่าเอาคําพูดนี้ไปเปรียบเทียบทิ้งให้หมดเลยนะแต่ให้รู้สึกให้รู้สึกตัวให้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะคือความจริงที่มันแสดงตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยทั้งที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามเรียนรู้มันทุกอย่างและไม่เพลินไปกับมันไม่ลงไปกับมัน กลับมารู้สึกตัวใช้อันนี้เป็นเครื่องมืออันเดียวแต่ทําซ้ําๆซ้ําๆต้องพระเทียนใช้คําว่าสูตรสําเร็จอึดใจเดียวก็คือการกลับมารู้สึกตัวนะตรงนี้ทําให้ได้บ่อยๆในอิริยบทโดยเฉพาะในส่วนของกายอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดหรือจิตมากให้มารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆตรงนี้จะเป็นหลักสําคัญแล้วเดี๋ยวมันจะไปเห็นกาย จะไปเห็นเวทนาไปเห็นจิตเห็นธรรมเองนะถ้าเราแม่นตรงนี้แล้วท่านหนักแน่นตรงนี้แล้วนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะใช้เวลานะที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยกับเรื่องนี้เต็มที่นะการมาวัดป่าสุกโตที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการที่เรามาเจริญสตินี่เองเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องรองไปเนะาะเพราะฉะนั้น มีเวลาอยู่ที่นี่ให้ใช้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่แล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีอำนวยประโยชน์ให้กับเรื่องพวกนี้อย่าใช้เวลาไปเรื่องอื่นไปหลับไปนอนไปสุขสบายอันนั้นไม่คุ้มค่ า, ามาวัดป่าสุโกโตเพราะฉะนั้นในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัว รับขวัญวันใหม่ด้วยใจตื่นรูนะ้นี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะให้เป็นของขวัญกับตัวเราเองนะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความหวังนะมีความปรารถนาและได้ลงมือกระทําไปในสิ่งที่เรามุ่งหวังนะให้เกิด ผลเกิดประโยชน์นะซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังนะในในฐานะชาวพุทธนะก็คือการเข้าถึงความจริงของชีวิตที่สุดของความทุกข์นะก็คือพระนิพพานเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและก็กระทำลงไปไม่ใช่เพียงแค่หวังแต่กระทำลงไปด้วยการเจริญสตินะที่เราได้ทำนี้ แล้วก็ขอให้ผลของการปฏิบัตินี้จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุนในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร